พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนอนาะวุโส <c oughs> เรายังไม่ทันถึงที่สุดแห่งโลกแล้วเที่ยวเราก็จะไม่กล่าวปฏิญญาณว่าเรานี้เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วคือถ้าตราบใดท่านยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วท่านจะไม่ปฏิ ญ, ญาณว่าท่านนี้เป็นที่เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วที่ที่สุดแห่งโลกเนี่ย คืออะไรท่านตรัสว่าเราทราบโลกเหตุเกิดของโลกความดับโลกความดับของโลกทางที่จะไปสู่ความดับของโลกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพระพุทธองค์ได้ทราบถึงอริยสัจจะทำแล้วแล้วก็ได้ตรัสว่าอันหนึ่งร่างกายอันยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบกว้าหนึ่งศอกนี้ เราบัญญัติว่าเป็นโลกการถึงที่สุดแห่งโลกนั้นก็คือถึงที่สุดแห่งโลกนี้ไม่ใช่ถึงที่สุดแห่งโลกหน้าด้วยการเดินทางหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนั้นจะไม่ทำให้เราเนี่ยล่วงพ้นจากความถูกไปได้และตราบใดถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่มีเลย ถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปไม่ได้คือทุกข์ทั้งหลายที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วเราจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้ก็คือเราจะต้องศึกษาในเรื่องสังขารละโลกนี้แล้วก็เข้าใจว่าสังขาระโลกนี้คืออะไรอะไรเป็นเหตุเกิดของโลกนี้ อะไรเป็นความดับโลกนี้อะไรเป็นทางที่ย้ยถึงซึ่งความดับโลกนี้ก็คือต้องศึกษาอริยสัจธรรมต้องรู้อริยสัจธรรมแล้วเราจึงจะถึงที่สุดแห่งโลกได้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรับปฏิญาณว่าเป็นผู้ทราบชัดซึ่งโลกและเป็นผู้ทรงถึงที่สุดโลกแล้วเป็นผู้อยู่จบรมอาจารย์แล้วทรงสงบแล้ว ทรงทราบที่สุดแห่งโลกแล้วจึงไม่ได้ทรงหวังโลกนี้โลกหน้าคือท่านได้ทราบถึงโลกเหล่านี้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็ไม่หวังโลกนี้และไม่หวังโลกหน้าแสดงให้เห็นว่าคนไหนที่ยังหวังโลกนี้อยู่หวังโลกหน้าอยู่คนนั้นยังไม่ทราบชัดถึงเรื่องโลกเหมือนกับที่เราหวังจะอยู่ในโลกเนี่ยไปนานๆก็แสดงว่าคนนี้เกิดมาในโลกแต่ยังไม่รู้จักโลก ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้นานๆไม่คิดเลยว่าตัวนี่จะตายไปสักวันใดวันหนึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความโลภโมโทสานขึ้นบุคคลเหล่านี้ไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองจะต้องตายจากโลกไปครั้นจะตายก็ยังหวังโลกหน้าอีกว่าขอให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพพัทดาเกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรหมซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อเกิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายตายเหมือนกันเป็นเทวดาก็ตายเป็นพรหมก็ตาย เพราะอันนั้นไม่ใช่ที่สุดของโลกแต่ที่สุดของโลกเนี่ยอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเรานี้ฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราได้ศึกษาถึงเรื่องนามเรื่องรูปสอนให้เราได้พิจารณานามรูปนี้เป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ถอนอุปาทานในโลกคือเบญจขันธ์นี้เสียได้นั่นแหละจึงจะถึงที่สุดแห่งโลกได้ก็คือให้ทราบชัดโลกนี้คือทุกข์ เหตุเกิดของโลกคือสมุทยัยความดับของโลกคือนิโรธทางไปสู่ความดับของโลกคือมรรคถ้าเราศึกษาในเรื่องทั้งสี่นี้ให้เข้าใจแล้วนั่นแหละเราทําที่สุดแห่งโลกได้ก็คือทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตราสานเสริญอริยสาวกที่สําเร็จในสมัยนั้นว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ย ชวนให้เกิดความคิดว่าที่ถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยตรงไหนเป็นที่สุดแห่งทุกเพราะว่าที่สุดแห่งทุกเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกอันท่วมท้นทุกอันหนักที่เราได้เผชิญกันอยู่ในชีวิตเนี่ยนั่นแหะคือที่สุดแห่งทุกแล้วเป็นความทุกข์ที่สูงสุดแล้วเป็นความสูญเสียที่มากมายแล้วเราอย่คิดว่านั่นแหะคือที่สุดแห่งทุกความทุกขยังมีมากมายกว่านั้นอีกเช่อนอย่างความแก่ความ เก็บความตายอย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดการเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆตายบ่อยๆไม่สิ้นสุดอย่างเนี้ยนี่แหละคือความทุกข์ของโลกความทุกข์ของโลกอย่างเนี้ยเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากปัญหาคือสมุทรไทยนั่นเองที่เป็นปัจจัยให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ฉะนั้นความดับสมุทรไทยคือเหตุเหล่านี้เสียด้นั่นแหละคือความดับของโลก บุคคลที่ดับเหตุแห่งความเกิดได้จึงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วหมายความว่าทุกข์ที่ตนเองได้รับในวัฏสงสารเนี่ยมันสิ้นสุดเพียงชาตินี้หรือเพียงแค่นี้จากนี้ไปเราจะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วหรือไม่ต้องมาเป็นทุกข์อีกแล้วเราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยโดยอาศัยความทราบชัดในโลกที่เป็นส่วนสังขารและโลกส่วนสัตวโลกกับโอกาสโลกนั้น เป็นการสแสดงถึงอัธยาศัยของสัตว์และสันฐานของโลกและจักรวาลอื่นอันนี้แหละที่เราได้กระเสรินว่าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้จักโลกรู้จักทุกด้านทั้งในด้านอัธยาศัยของสัตว์ความเป็นอยู่ของสัตว์รู้ถึงความเป็นไปของโลกที่เราเกิดมาอาศัยอยู่รู้ถึงความจริงของโลกว่าเกิดมาแล้วมีอะไรบ้างซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายที่ได ศึกษาและปฏิบัติธรรมมานี้คงจะทราบชัดว่าโลกนี้คืออะไรแล้วก็ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบชัดว่าในชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราหวังอะไรบ้างหวังอะไรในโลกนี้บ้างแล้วก็เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราหวังอะไรในโลกหน้าบ้าง ในชาติหน้าบ้างออซึ่งความหวังทั้งโลกนี้และความหวังทั้งโลกหน้านั้นจะให้เราสำเร็จความสมหวังหรือผิดหวังกันแน่ก็ขอให้เราได้พิจารณากันดูว่าสิ่งที่เราหวังในโลกนี้ก็ดีในโลกหน้าก็ดีจะสมหวังหรือผิดหวังในทางอริยสัจจะทำนั้นถ้าบุคคลใดหวังโลกนี้โลกหน้าอยู่คนคนนั้นก็จะต้องผิดหวังอยู่ร่าไป ต้องผิดหวังอยู่เสมอไม่มีสมหวังแน่นอนแต่ผู้ใดที่ถึงที่สุดแห่งโลกได้แล้วผู้นั้นจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และก็ฉลาดในการสแสวงหาประโยชน์ในโลกนี้ว่าเราควรจะได้ประโยชน์ในโลกนี้เป็นอะไรเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราควรจะได้ เป็นเรื่องของปัญญาที่ทุกท่านจะพิจารณากันนี่เป็นเรื่องของอความเป็นผู้รู้จักโลกที่เราได้สวดสรรเสริญกันอยูอ่ความจริงเรื่องนี้เกี่ยวกับโลกทั้งสองคือสตตวโลกกับโอกาสโลกนั้นมีเรื่องที่น่าศึกษาอยู่อีกมากแต่ถ้าจะพูดละเอียดเกินไปก็จะมีการชวนให้ท่านทั้งหลายมองฟังภูมิศาสตร์ ซึ่ง เ, เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปาทางด้านวัตถุแต่ว่าที่ศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะเห็นโลกวิถูเพื่อที่เราจะได้ทราบซึ่งในพระพุทธคุณว่าพระพุทธองค์เป็นโลกวิถูจริงๆตมาจึงงดไม่บรรยายในเรื่องโอกาสสโลเพราะว่ามันเกี่ยวกับจั ก, กรวาลเกี่ยวกับดวงดาวาต่างๆเกี่ยวกับโลกมนุษย์ซึ่งก็เป็นเรื่องของวัตถุไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรู้แต่เพียงเรื่องสังขารโลกว่าเราเนี่ยจะทําที่สุดแห่งโลกได้ก็คือที่สังขาร น, นี้ฉะนั้นอย่าหาที่สุดแ่งทุกข์ในโลกอื่นเลยไม่มีประโยชน์แน่ถึงจะไปโลกพระอังคารได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์ไม่อยู่ที่ว่าเราจะต้องศึกษาชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็รู้จักปฏิบัติในชีวิตนี้ให้ถูกต้องแล้วเราจรึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ ยังอื่นไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกแม่ที่สุดแห่งทุกอยู่ที่โลกคือสังขารรูปนามนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกวิถูในบทนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะบริกรรมพระพุทธคุณในบทโลกวิทูแล้วก็ขอให้น้อมจิตนึกถึงพระพุทธคุณบทนี้ว่าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกเหล่านี้เราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจในโลกในโลกคือตัวเราเนี่ยศึกษาให้รู้จัก แล้วก็พยายามปฏิบัติตนเองนี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในวันใดวันหนึ่งการบรรยายในวันนี้เห็นถ้าจะพอสมควรกับเวลาตมาขอหยุดติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้ทำไมมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงเกิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งทั่วโลกพากาันวิตกกังวลว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านี้ มนุษย์จะเอาอะไรกินเพราะว่าเมื่อเกิดมากขึ้นโลกก็ไม่ได้ขยับขยายออกไปให้กว้างใหญ่อยู่เท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นในเมื่อสัตว์โลกเกิดมากขึ้นสัตว์โลกจะเอาอะไรกินเราพิจารณาแค่โลกแคบๆเช่นอย่างแผ่นดินไทยเราในปัจจุบันนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสามสิบสามล้านเศษ แต่ว่าอีกสิบปีข้างหน้าเราจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสิบล้านก็คงจะเป็นสี่สิบกว่าล้านแต่ว่าแผ่นดินไทยเราเวลานี้มีที่ที่เราเพาะปลูกทำมาหาสินเพียงห้าสิบล้านได้จำนวนเนื้อที่ห้าสิบล้านไร่กับพลเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นเกือบจะถึงห้าสิบล้านถ้าถัวเฉลี่ยกันแล้วคนคนหนึ่งจะมีที่ทากินเลี้ยงชีวิตเพียงหนึ่งไร่ 400ตารางวาเราจะเอาอะไรกินกันในที่หนึ่งไร่จะพอเลี้ยงชีวิตมนุษย์หรือไม่ถ้าไม่พอเราก็ต้องสแสวงหาที่อื่นเนี่ยเป็นปัญหาที่คนจะล้นโลกเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาถามว่าในเมื่อมนุษย์ที่ทำบาปก็ดีมนุษย์ที่ทำกิเลสให้สิ้นสุดไปก็ดี ทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีโอกาสเกิดมาในโลกมนุษย์นี้อีกเขาจะไปอยู่กันที่ไหนถ้าหากว่ามนุษย์ตกนรกกันมากทำไมโลกมนุษย์นี้จึงเกิดมากขึ้นคนจึงเพิ่มมากขึ้นผู้ที่เรียนในด้านชีวะมาก็ไม่ได้คานึงถึงว่ากฎของวัตะสงสารหรือปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นเหตุเป็นผลของชีวิตสัตว์แต่ละจาพวกที่เวียนว่ายตายเกิดนี้มีเหตุผลเป็นมาอย่างไรเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และค้นพบนั้นเราศึกษากันน้อยเราไม่เข้าใจถึงปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจว่าเหตุผลที่ชีวิตเกิดขึ้นตายไปหมุนเวียนอย่างเนี้ย มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ซึ่งกันและ ก, กันจนเป็นวัตะสูงสารขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็พุ่งตรงไปสู่วัตถุว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลเนื่องมาจากกามารมณ์ที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วเราก็ขจัดความเกิดแบบง่ายๆดังที่เรากําลังดําเนินงานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นและอะไรที่ทําให้มนุษย์นี้ เ, ะะเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดแก่ตายต่อไปอีกเป็นวัตะสงสารอันยืดยาวขึ้นมาและเราจะขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเกิดเช่นนี้ได้อย่างไรเรามีการศึกษากันน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจในเรื่องโลก ในเรื่องชีวิตนี้ไม่ค่อยถูกต้องนัก เ, เรื่องมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มากมากนั้นถ้าเราได้ศึกษาในเรื่องภูมิทั้งสาสิบเอ็ดภูมิแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรเพราะว่าชีวิตของสัตว์นั้นก็มีสิทธิที่จะถือการปฏิสนธิในโลกใดๆได้ทั้งสิน้นแล้วแต่กฎของกรรมปัจจุบันนี้สัตว์อาจจะเกิดกันมาหนาแน่นในโลกมนุษย์ แต่ว่าโลกอื่นซึ่งเป็นโลกที่สูงกว่ามนุษย์นี้เช่นอย่างเทวโลกพรห ม, มโลกอาจจะว่างเปล่ามีสัตว์ไปเกิดน้อยส่วนในอบายภพวงเช่นในนรกในเปรตในอสุรกายในเดรัชานอาจจะมีชีวิตสัตว์ไปเกิดกันอย่างหนานแน่นแออัดเพราะเป็นผลจากการที่มนุษย์ทําบาปภูมิมนุษย์ที่เราเกิดนี้จึงเป็นภูมิหนึ่ง ในจำนวน31ภูมิซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกย้ายกันไปสู่ภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งสิ้นในขณะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้และการแยกย้ายไปสู่ภูมิทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นผลมาจากการประกอบกรรมของแต่ละบุคคลเท่านั้นถึงเราจะมีจิตปรารถนาว่าเราจะไปเกิดในเทวภูมิ แต่ถ้าเราไม่ประกอบกรรมดีแล้วเราก็ไปเกิดในเทวภูมิไม่ได้เพราะกรรมเท่านั้นที่จะนำชีวิตของสัตว์ไปปฏิสนธิในภูมิใดๆได้ทั้งหมดเราเลือกไม่ได้นอกจากจะประกอบกรรมที่ดีอันเป็นเหตุแห่งความเจริญเท่านั้นถ้าเราทํากรรมดีก็ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าทํากรรมไม่ดีก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นภูมิที่ถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมา บางยุคบางสมัยก็เกิดมากแต่บางยุคบางสมัยก็จะเกิดน้อยเราอาจจะไปเกิดในภูมิอื่นกันมากขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งในสัตวโลกนี้นอกจากจะรู้ว่าสัตว์นี้เกิดขึ้นในภูมิไหนด้วยกรรมอะไรแล้วท่านยังรู้ถึงกิเลสที่นอนเนื่องภายในจิตของสัมพัสว์ด้วยที่เรียกกันว่าอาสยะหรือเรียกว่าอนุสยะ กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตของสัตว์ที่สืบต่อกันอยู่นั้นพระพุทธองค์ก็ทราบทราบว่าสัตว์จําพวกนี้มีกิเลสมากสัตว์จําพวกนี้มีกิเลสน้อยผู้นี้มีกิเลสหนาะผู้นี้มีกิเลสบางทราบได้ว่าผู้นี้ได้ทําอาสวะคือกิเลสนี้ให้สิ้นสุดไปแล้วก็สามารถทราบได้ทราบได้ว่าผู้นี้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้นี้มีอินทรีย์อ่อน แล้วพระพุทธองค์ก็โปรดสัตว์ทั้งหลายตามฐานะของอินทรีย์ที่มีอยู่อินทรีย์แก่กล้าก็าเทศนาธรรมะที่ลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอันที่จะปฏิบัติตนไปสู่ความพ้นทุกข์ผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็เทศนาโปรดให้เป็นอนุสัยให้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเพื่อที่จะได้ถือเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติและไต่เต้าไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงต่อไปความเป็นโลกวิทูในสัตวโลกนั้น จึงเป็นไปในลักษณะเช่นนี้รู้ความเป็นไปของสัตว์ตลอดจนกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตของสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้โดยละเอียดเนี่ยจึงได้รับนามว่าเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกฉะนั้นการเทศนาธรรมก็ดีหรือการตรัสพยากรณ์มรรคผลของสาวกก็ดีพระพุทธองค์ก็อาศัยความเป็นโลกวิทูนี้เอง ได้พยากรณ์ว่าท่านผู้นี้สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วท่านผู้นี้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วเพราะว่าได้ทรงทราบถึงอาสยะและอนุสยะที่นอนเลื่องอยู่ภายในจิตของต์นี่เป็นความหมายของคำว่าโลกวิทูซึ่งแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธคุณบทต่อไปที่จะนำมาอธิบายในวันนี้ก็คืออนุตตรโูปุริสธรรมสารท กับศรัทธาเทวะมนุษยสาสนาคำว่าอนุตตรหรือแปลว่าอนุตระเนี่ยเราสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษอย่างเยี่ยมยอดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนคำว่าอนุตตระนั้นแปลว่าอย่างเยี่ยมยอดคือในโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครที่จะ เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษเทียมเท่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าอนุตตโรเนี่ยปุริสธรรมสารถินั้นหมายถึงสารถีเพื่อฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม <c oughs> คําว่า <c oughs> สารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมนั้นในฐานะที่พระพุทธองค์เป็นอนุตตะคือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนหมายถึงไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธองค์ ในด้านของคุณธรรมเช่นในด้านของศีลในด้านของสมาธิในด้านของปัญญาในด้านของวิมุติในด้านของวิมุตติยานัทสนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าจะกล่าวโดยศีลแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีศีลเท่าเทียมพระพุทธองค์พระพุทธองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลสะอาด ไม่มีที่ใดที่หนึ่งจะติเตียนพระพุทธองค์ได้ว่าเป็นผู้ด่างร้อยโดยศีลหรือเป็นผู้บกพร่องโดยศีลในด้านของสมาธิก็ไม่มีใครมีสมาธิเทียมเท่าพระพุทธองค์สมาบัติแปดพระพุทธองค์ก็ฝึกฝนเป็นอย่างดีมาก่อนสมาธิสูงมากในด้านของปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม รู้ละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของนามรูปไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในด้านของวิมุตต์คือความหลุดพ้นก็ไม่มีผู้ใดที่เสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธองค์เป็นผู้หลุดพ้นก่อนปฏิบัติธรรมจนกระทั่งนำตนให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้เรียกว่าวิมุตต์เมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ ว่าพระองค์ได้หลุดพ้นแล้วคนอื่นหลุดพ้นก็รู้ว่าคนอื่นได้หลุดพ้นแล้วจึงไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธองค์ในฐานะที่มีวิมุตติยานัทสนะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวโดยวิมุตติยานัทสนะแล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นยังฝึกบุรุษที่ฝึกได้ยากแสนยากให้เป็นคนดีได้กพระโดยปกติแล้ว มนุษย์นี้ก็เป็นสารถีอยู่โดยทั่วกันทั้งนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเราเป็นสารถีฝึกสัตว์ไว้หลายจาพวกเราฝึกฟาไว้ไถนาเราฝึกช้างไว้ลากทุงเราฝึกกลิงไว้ขึ้นมะพร้าวได้เราฝึกม้าไว้ขี่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นผลมาจากมนุษย์เป็นผู้ฝึก ฝึกสัตว์ให้เป็นไปในลักษณะต่างๆกันสามารถนำสัตว์ที่ดุร้ายนี่ให้เชื่องได้แต่ถ้าพูดถึงในการฝึกมนุษย์ถ้าเราจะฝึกมนุษย์เช่นมนุษย์ที่ไม่ดีฝึกฝนให้เป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้กันหมดทุกๆคนบางคนก็ทำได้สาเร็จบางคนก็ทำได้ไม่สาเร็จการฝึกมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากและที่ยากที่สุดก็คือฝึกฝนตนเอง การฝึกฝนตนเองนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากกว่าฝึกคนอื่นมากมายเราฝึกสัตว์ได้ฉานได้เราฝึกมนุษย์ผู้อื่นได้แต่บางทีอาจจะฝึกตนเองไม่ได้อย่างนี้ก็มีเพราะการฝึกตนเองนั้นเป็นการยากกว่าฝึกผู้อื่นการสอนตนเองนั้นยากกว่าสอนคนอื่นเพราะว่าตนนั้นเป็นสเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ยากอย่างยิ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ การฝึกผู้อื่นนั้นฝึกง่ายแต่ฝึกตนเองนั้นฝึกยากแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสาระถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมด้วยและได้ฝึกผลพระองค์เองอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วด้วยฉะนั้นจึงฝึกผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมท่านทั้งหลายจะทราบได้จากในสมัยที่พระพุทธองค์ฝึกองค์ุริมาณโจร องคุริมานนี่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครรับอาสาจะฝึกแล้วแม้แต่พระราชาประเสริฐพิโกสนก็สั่งเตรียมทัพสั่งจับตายแล้วแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ยังสามารถฝึกฝนองค์คุริมานซึ่งเป็นโจรดุร้ายให้กลับกลายเป็นคนดีได้และปฏิบัติตนจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เป็นแต่เพียง ส่วนหนึ่งในจำนวนอีกมากมายหลายท่านที่พระพุทธองค์ได้ฝึกฝนมาก่อนจากคนไม่ดีมาสู่ความเป็นคนดีจากผู้มีกิเลสมาสู่ความเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสพระพุทธองค์ก็ได้ฝึกฝนมาก่อนฉะนั้นจึงไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นผู้ฝึกฝนคนความเป็นผู้ฝึกฝนคนนี้ถ้าเราได้ศึกษาดูวิธีการว่า พระพุทธองค์ได้มีวิธีการอย่างไรในการสุกสอนสาวกแต่ละท่านให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็จะพบวิธีการมากมายที่มีอยู่เป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกว่าได้ใช้วิธีการอันนี้ฝุดบุคคลประเภทนี้ได้ใช้วิธีการอันนั้นฝุดบุคคลประเภทนั้นเพราะว่าคนดาวนั้นย่อมมีนิสัยไม่เหมือนกันการฝึกฝนนั้นจึงมีวิธีการไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้นวิธีการฝึกฝนบุคคลอื่นจึงมีอยู่มากมายและวิธีฝึกฝนตนเองก็มีอยู่มากมายในพระไตรปิฎกว่าเราจะฝึกฝนตนได้อย่างไรฝึกฝนคนอื่นได้อย่างไรและในฐานะที่เราจะแก้ไขบุคคลที่ไม่ดีให้เป็นคนดีนั้นเราจะฝึกฝนได้อย่างไรก็มีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราสนใจศึกษาแล้ว เราจะได้อะไรหลายๆอย่างที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นปัญหาทางด้านสังคมที่เราทุกคนกําลังเผชิญกันอยู่และหลา ย, ลายๆท่านก็กําลังหาทางแก้ไขแต่จะแก้ไขกันสำเร็จหรือไม่นั้นก็อยู่ที่วิธีการว่าจะมีวิธีการอันใดที่ดีและก็สามารถแก้ไขปัญหาสังคมเช่นนี้ได้สำเร็จแต่ว่า วิธีการที่พระพุทธองค์ได้เคยใช้มาในสมัยพุทธกาลไปแก้ปัญหาสังคมนั้นได้แก้ไขสําเร็จมาแล้วหลายหลายเรื่องด้วยกันแม้กระทั่งเรื่องโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมนั้นก็แก้ไขได้สําเร็จจะม่ปัจจุบันนี้แม้แต่เราอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย มันปล้นกลางกลางกรุงบ่อยๆไม่ปลอดภัยปัญหาเช่นนี้เราจะแก้ไขกันได้อย่างไรโจรผู้ร้ายเหล่านี้จึงจะหมดไปได้เป็นปัญหาเก่าที่เคยเกิดมาแล้วในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นโลกมนุษย์เราก็ได้ไเผชิญกับปัญหาสังคมที่นี้ในชมพูทวีปนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นสะดมชาวบ้านเดือดร้อนไปหมด โบวค ว, วายก็ถูกต้อนไปค่ากินทรัพย์สินเงินทองถูกปร้นสะดมประชาชนไม่มีอันทรมาหากินต้องอยู่อย่างระแวดระวังตลอดเวลาความเดือดร้อนเกิดขึ้นถึงกับพระราชานี่ทนอยู่ไม่ได้เพราะโจรจะปล้นราชบัลลังก์แล้วไม่ใช่ปล้นเฉพาะราชสดรอนมันจะปล้นราชบัลลังก์ด้วยซ้ำไปผลสุดท้ายก็ต้องไปเฝ้าพระพุทธองค์ ว่าจะแก้ไขปัญหาชิ้นนี้ได้อย่างไรผู้ที่เข้าเฝ้าก็คือพระราชาประเสริฐทีโกศลนี่เองพระพุทธองค์ก็แนะถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาชินนี้ในด้านของเศรษฐกิจและในด้านของสังคมได้ตรัสไว้โดยละเอียดถึงวิธีการแล้วก็นำไปแก้ได้สำเร็จตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแนะไว้ว่าควรจะแก้ไขยอย่างไร ไม่ใช่หมายความว่าโจรผู้ร้ายชุกชุมก็นีมนพระไปเทศมากๆโจรผู้ร้ายจะได้หมดไปวิธีแก้ไขปัญหาโจรผู้ร้ายชัก ช, ชุกชุมนั้นไม่ใช่แก้ด้วยการเอาพระไปเทศพระมันจะยิงหกคำเมรุด้ซ้ําไปจะปล้นพระด้วยซ้ำไปจะไปเทศอะไรให้มันฟังต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ที่จะต้องแก้ไขฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสวิธีอื่นแก้ไขโดยไม่ใช่หมายความว่า พระพุทธองค์จะส่งสาวกไปเทศนาสั่งสอนคนให้ตั้งมั่นในศีลธรรมเท่านั้นแต่ต้องแก้ปัญหาเรื่องอื่นเรื่องปา่าเรื่องท้องเรื่องการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ควรดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องเออปัญหาเช่นนี้ต้องอาศัยการอบรมแนะนําว่าเราควรจะดําเนินชีวิตกันอย่างไร ชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกนี้จึงมีความสุขในปัจจุบันเราขาดผู้แนะนําในเรื่องนี้บางทีชีวิตที่ดำเนินอยู่ก็เป็นชีวิตที่เลื่อนลอยเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอ่อเหอมิมต่างๆและผลสุดท้ายชีวิตก็เดือดร้อนเราไม่ได้ดำรงชีวิตอย่างผู้ที่ถือสัจธรรมหรือเอาความจริงของชีวิตแท้ๆว่าชีวิตที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไร ควรจะประกอบด้วยตัดใจอะไรบ้างที่จำเป็นแก่ชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องชี่นนี้เป็นเรื่องสาคัญพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หมดแล้วก็ไม่ใช่ตรัสแก้แบบชนิดที่ว่าเอาพระไปเทศแก้ปัญหาอื่นๆหลายๆด้านประกอบกันแล้วเราก็แก้ปัญหาสังคมอันนี้ได้สำเร็จ นับเพราะฉะนั้นความเป็นโล ก, กวิทูผู้รู้แจ้งโลกในลักษณะดังกล่าวนี้เราควรที่จะได้นำเอาคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้วิธีการอันดีที่พระพุทธองค์ได้เคยปฏิบัติมานำมาใช้บ้างเชื่อแน่ว่าเราไม่ผิดหวังเพราะคำสอนที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้เป็นศาสตร์ที่เป็นสัจธรรม ศาสตร์บางศางสตร์ยังไม่ใช่สัจธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสัจธรรมแล้วเราก็นํามาใช้ได้สิ้นเด็ดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้จริงๆเหมือนกับการปฏิบัติธรรมะเราไม่เคยผิดหวังเลยจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึง่งปฏิบัติแล้วก็สําเร็จทุกทีแล้วเราก็ได้ผลจากการปฏิบัติทุก ข, ข้อที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเวลานี้สาวกชนทั้งหลายที่ สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็ควรที่จะได้ศึกษาธรรมะให้ละเอียดหลายๆด้านแล้วเราก็จะได้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ให้มากต่อการทำงานทุกด้านซึ่งเราสามารถที่จะได้คติจากพระไตรปิฎกเหลา่านี้ทั้งหมดและก็ไม่ผิดหวังจากการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นความเป็นผู้ บุรุษที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธองค์นี้จึงเป็นพระพุทธคุณที่ที่สัตวโลกทั้งหลายได้สรรเสริญอย่างถูกต้องแล้วเพราะไม่มีใครที่จะเป็นสารถีฝึกบุรุษ